ทุสอทุสอทุสอทุสอทุสออ๋ออ่ ะ, อะมีความสุขกันทุกคน <c oughs> วันนี้ก็อากาศเย็นลงไปหน่อยหนึ่งวันนี้ก็ขึ้นแปดคัมเดือนสามเพอร์แพบเดียวอืมเพอแพบเดียวจะเข้าเออเออเออ เดือนเมกรกุมภาวันที่สิอกุมภาพันนีจะได้มีทําพิธีอัญเชิญพระ ส, อออระสิวลีขึ้นปฏิฐานบนแท่นทาพิธีสักการะบูชามีโอกาสก็ขอเชิญพี่น้องเรามาร่วมกันใครมาใครตั้งลงทานก็มามาช่วยกัน ใครมาช่วยดูแลทำความสะอาดก็มาช่วยกันแล้วก็วันที่สิอกุมภาทางโรงพยาบาลศูนย์ก็จ ะ, จะได้มารับบริจาคโลหิตที่วัดของเราก็ข อ, ขอเชิญพี่น้องเราทุกคนได้ยินข่าวได้ทราบข่าวก็ <c oughs> <c oughs> พากันมาร่วมบุญทานโลหิต ให้กับเพื่อนเกิดแก่เก็บตายด้วยกันได้มาทำพิธีอัญเชิญพระศิวลีซึ่งเป็นพระที่รวยด้วยโชคลาภสมัยครั้งพุทธกาลเป็นเอกเป็นเอกะตระเป็นเอกในทางโชคลาภก็ <c oughs> ได้ทำพิธี บ่วงสวงบูชาทั้งสหารที่ <c oughs> เดือนมีนาคมวันที่ททวันที่วันอาทิตย์ที่12 <c oughs> <c oughs> ก็จะได้ทําพิธีเททองหล่อพระหล่อรูปเหมือนหลวงพ่อโชธรที่วัดของเรา มีโอกาสก็ขอเชิญมามาร่วมเททองหล่อพระมาบูชาแผ่นทองก้อนทองทองเหลืองทองสำลิตที่จะทำการหล่อจุดที่ทหารที่ก็ทิลานมหาเจดีย์เพื่อที่จะได้มาปฏิฐานไว้ในวิหารพระยกหล่อองค์แทนลงพ่อโสถอนองค์ปฐมก็มีแล้ว โยมท่านผู้ใจบุญท่านก็ไว้ก็ได้หลวงพ่อโสธรมาไหว้ที่วัดเพื่อความเป็นสิริมงคลถึงวันนั้นก็มีโอกาสได้มาร่วมกันมาเททองมาบูชาแผ่นทองบูชาก้อนทองที่จะหล่อล้อมเป็นองค์พระฝากาไว้ในแผ่นดินฝากาไว้กับสธานที่ของเราหลายสิ่งหลายอย่างมีแต่ความเป็นสิริมงคล โอกาสเปิดการเวลาเปิดสถานที่เปิดบุญเล็กๆเน้นน้อยเราก็ค่อยสร้างสะสมจนเป็นบุญกองใหญ่อันมหึมาทั้งได้อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุทั้งได้สร้างมหาเจดีย์ใหญ่ฝากเอาไว้ใครๆนําทองมาทํายอดฉัดมห ah าเจดีย์ก็มาคนละเล็กละน้อยค่อยสร้างสะสมไปเดี๋ยวนี้ก็ได้สองกิโลกว่าแล้วก็จะได้ ไปถึงเวลาก็จะได้ไปทำพิธีตีหลอมตี ย, ยอดฉาดมหาเจดีย์ก็ขอบคุณทุกคนทั้งเหล่ามนุษย์เหล่าเทวดาได้ยินข่าวทราบข่าวก็มาช่วยทั้งกำลังทุนทรัพย์ทั้งกำลังเวลาทั้งกำลังกายมาช่วยกันวันนี้พระเรา <c oughs> ก็พากันไปช่วยปกต้นไม้ ต้นดอกไม้ต้นชมพูพันทิพย์ประมาณ60ต้นที่จะเอามาปลูกให้ถึงวาระเวลาส5หปีออกดอกเจดีเสร็จพอดีออกดอกเต็มต้นสวยงามให้เป็นดงดอกไม้ในลานมหาเจดี <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ที่ปลูกปีกายนี่ก็ติดหมดแล้วทีนี้เอามาเสริมเข้าไปอีก ก่ว่าเจดีเสร็จดอกไม้ออกดอกพอดีจะได้สวยได้งามกันวันนี้ก็เป็นวันพระผ่ากันสมาทานศีลไหวพระกันเช่ยก่อนนะมีความสุขกันทุกคนดูดีๆนะพระเล่าชีเราพิจารณาปฏิสังขารโยตั้งแต่ตื่นขึ้นพิจารณากายของตัวเราเองพิจารณาใจของตัวเราเองตั้งแต่ยังไม่รู้จักที่ อะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาอะไรคือใจอะไรคืออาการของใจใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรใจที่คลายจากคันห้าเป็นลักษณะอย่างไรมีอยู่ในกายของเราหมดแต่คนทั่วไปส่วนมากจะมองเห็นเฉพาะในภาพรวมไม่ค่อยจเจริญสติเข้าไปจำแนกแกะแงงใจที่ คลายจากขันห้าใจที่ไม่มีกิเลสใจที่สงบเราต้องพยายามหัดทำความเข้าใจให้เป็นกิจวัตรทุกเรื่องในชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นจะลุกจะก้าวจะเดินใจก็มีความสงบมีความปกติทำความเข้าใจกับภาษาสมมุติภาษาวิมุติสมมุติคือโลกธรรมกายของเราเนี้เป็นก้อนสมมติ กายของเรานี้ก็อาศัยปัจใจ sĩ อาศัยโลกธรรมใจมาสร้างภพมนุษย์มาสร้างคันห้าปิดกั้นตัวเองแล้วก็เกิดตกหรือว่าส่งไปภายนอกห ร, อหรือว่าความคิดของเรา เ, เราต้องพยายามดูรู้ลักษณะหน้าตาอาการใจที่ปราศจากกิเลสเป็นลักษณะอย่างนี้ใจที่คลายจากคันห้าเป็นลักษณะอย่างนี้กายส่วนรูปทาหน้าที่อย่างนี้ วิญญาณในกายของเราทำหน้าที่อย่างนี้แต่เวลาในตัวใจหรือว่าตัววิญญาณทั้งเกิดทั้งหลงทั้งยึดทั้งติดทั้งเป็นธาตุของกิเลสเราก็มาค่อยสะสางมาค่อยทำความเข้าใจค่อยขัดค่อยเกาไม่ให้ใจเกิดกิเลส ไม่ให้ใจของเราไปหลงเราต้องมาคลายความหลงหรือว่ามาแยกรูปแยกนามในภาษาธรรมที่เรียกว่าแยกรูปแยกนามเราจะเริญนสติเข้าไปสังเกตเข้าไปวิเคราะห์จนใจของเราคลายจากขันหานั่นแหละท่านหนึ่งเรียกว่าแยกรูปแยกนามสัมมาทิฏฐิความรู้แจ้งเห็นจริงเปิดทางให้การตามดูการรู้การเห็นการทำความเข้าใจ กำว่านิจังทุกครั้งนัตตาเป็นลักษณะอย่างไรอัตตาอนัตาในหลักธรรมเป็นลักษณะอย่างไรสมมุติวิมุตตภาษาสมมุติภาษาวิมุตต์กายทวารทั้งหกําหน้าที่อย่างไรเราต้องรู้ต้องเห็นต้องทำความเข้าใจแล้วก็ละออกให้หมด คลายออกให้หมดให้เหลือตั้งแต่ความสงบความบริสุทธิ์ของใจนั่นแหละเราก็จะอยู่กับบุญการพูดง่ายอยู่การกระทำการลงมือจริงๆนี่มันลำบากต้องเป็นบุคคลมีความเพียรเป็นเลิศทุกเรื่องในกายของเรารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในวิญญาณในกายของเราอย่าพากันผลัดวันประกันพรุ่งอย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งจะได้เวลา ทุกลมหายใจอะไรที่จะมีคุณค่ามีประโยชน์เราก็พยายามทำประโยชน์ภายนอกประโยชน์ภายในประโยชน์สมมุติวันวันที่12เดือนมีนาก็จะได้ทำพิธีหล่อองค์พ่อพุทธโสธรจำลองหน้าตักสองเมตรมีโอกาสพวกเรามาร่วมกันผู้เฒ่าผู้แก่ชาวบ้านพี่น้องของเราได้ยินข่าว ได้ทราบข่าวก็มามีส่วนร่วมกันมาเขียนชื่อเขียนนามสกุลลงบนแผ่นทองลงบนก้อนทองเพื่อที่จะไปหล่อล้อมอเป็นองค์พระพุทธรูปองค์แทนพระพุทธเจ้าหรือว่าองค์หลวงพ่อโสธรใครมีที่ไร่ที่นาที่สวนที่สิ่งที่เราจะนำมาร่วมด้วยก็ ฟืนนะฟืนต้นไม้ฟืนไม้ที่จะมาเผามาหล่อหลอมทองเหลืองทองคำหล่อเป็นองค์พระเอามาคนละดน2องดนคนละชิ้น2องชิ้นอยู่ที่ไร่ที่นาใครมีมากก็เอามาสี่ห้าชิ้นเอามารวมกันจะได้ทำพิธีเ อ, เ, อเอาไว้เผาเอาไว้ เขาทองแล้วก็จะได้หล่อหลอมเรามีส่วนร่วมเอาไม้เนื้อแก่เอาไม้แก่นที่จะทำเป็นฟืนได้ดีติดไฟได้ดีส่วนในวัดของเราเราก็ดูต้นไม้ไหนที่มันแห้งเราก็ตัดลงมาเอาไปไว้ทำการหล่อหลอมทองคำหล่อหลอมทองเหลืองไปเลื่อยเอาไว้ไม้ที่พอที่จะทำปืนได้ นี่ชาวบ้านอยากจะเอามาร่วมกันก็ไม้เนื้อแก็ดมาไม้เนื้อแก่นกนะมาร่วมกันคนละดุลท้องดุ่นหรือถ้ามีเยอะก็เอามาเยอะได้นี่จะได้เก็บสะสมฟืนเอาไว้ก่อนก่อนที่จะถึงวันงานสะสมฟืนเอาไว้เราก็จะได้มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมในการสร้างองค์พระฝากเอาไว้ในแผ่นดินฝากเอาไว้ให้กับทหารที่ฝากเอาไว้ในใจของเรา ขณะที่ยังมีลมหายใจอยู่อะไรที่จะเป็นบุญเป็นกุศลอะไรที่จะเป็นประโยชน์เราก็ให้รีบทำสมุดโอกาสแล้วก็มีตั้งแต่เรื่องบุญกระ บ, บาปเราละบาปสร้างบุญไม่ยึดติดในบุญทําความเข้าใจให้ถูกต้องตามแนวทางของพระพุทธองค์ด้วยการเจริญสติก็ไปอบรมใจยังใจของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ ให้หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามทำอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งเสียดายเวลาทำมากก็เป็นของเราทำน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำเราก็ปล่อยอนโมทนาสาธุด้วยเราก็มีส่วนแห่งบุญไม่มีมากก็มีน้อยเราก็พยายามทำกันทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้น ไล่เลียงลงไปจนกระทั่งแกหมดลมหายใจน่นแหละไม่ใช่เฉพาะเวลานี้เวลาเดียวหมดลมหายใจตายไปที่ใจเรายังเกิดเขาก็ต้องไปเกิดต่อถึงจะเกิดก็ขอให้เกิดอยู่ในกองบุญจะได้มีความสุขจะไม่ได้ลําบากไม่ได้ทุกข์ทรมานในวันข้างหน้าวันนี้มีพรุ่งนี้มีเดือนหน้ามีปีหน้ามีพบหน้ามีพ่อแม่พี่น้องมี เราก็ต้องทำความเข้าใจนี่สร้างสะสมคุณงามความดีอย่าไปมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆทุกคนเกิดมาด้วยแรงเบี่ยงของกรรมการทำบุญให้ทานทำได้ทุกอย่างตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราให้อภัยทานอาโหสิกรรมการกระทําของเราให้ถึงพร้อมเราเป็นบุคคลที่มีความเป็นระเบียบรู้จักจัดระบบระเบียบทั้งกายวาจาใจ ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนคนอื่นสร้างความขยันมั่นเพียรให้มีให้เกิดขึ้นค่อยไล่เลี่ยงลงไปเรื่อยๆนี่สักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันทั้งพระทั้งโยมทั้งชีมีขันห้าเหมือนกันหมดแต่ต่างเพศต่างภาวะให้เราเคารพกันในเพศในภาวะในระดับพงษ์สมุตจะใจระวางได้หมดแล้วก็มีตั้งแต่ความว่างเปล่า ใจว่างเราก็มองเห็นโลกนี้เป็นคงว่างใจว่างจากการเกิดว่างจากกิเลสว่างจากขันห้าแต่ในทางสมมุติกายของเราก็มีอยู่หมดลมหายใจนั่นแหละกายก้อนนี้ก็จะกลับคืนสู่สภาพเดิมคือดินน้ำลมไฟอ น, นิจจังทุกครั้งอัณตาความตายนี่มีกันทุกคนเกิดมาเท่าไหร่ตายหมดเดี๋ยวนี้มารับเอาลงศพประมาณ720สกโ่าง ทุกแทบทุกวันบางวันก็สองโรงบางวันก็สามโรงมีโอกาสก็ใครอยากจะมาทำบุญลงศพก็มาให้ผ้าไตจีวรไอ้ดอกไม้ทูบเทียนผ้าขาวแถมโงศพให้หนึ่งโรงมอบเงินให้ไปทำการชาวปรณกกิจศพอีกศพละห0 0พันได้ประมาณเกตร้อยยี่สิบกอดโรงที่อนุเคราะห์กันไปเวลา เ, เกิดเจ็บป่วยมารักษากันก็ลำบากหมดเงินหมดทองเวลาตายแล้วก็าหา เ, าเงินที่จะซื้อโลงนีาก็ทัองยากก็ต้องลำบากคนอยู่ข้างหลังเรามีโอกาสเราได้ช่วยกันในอนุเคราะห์สงเคราะห์ทั้งความเป็นอยู่สมมุติอะไรเราพอช่วยกันได้เราก็ช่วยอะไรพอทำได้อะไรที่จะเป็นบุญเราก็พาทำ ฝากเอาไว้ให้เป็นสมบัติของแผ่นดินฝากเอาไว้ให้เป็นสมบัติของทุกคนเอาลอเลื่อนมาสักอันก็ขอขอบคุณมากมากทุกคนที่ได้มาร่วมกันทางสมมุติเราก็พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีวันนี้พระเหาพากันไปช่วยกันปลูกต้นไม้นะปลูกต้นไม้ต้นชมพูพันทิพเเวลาโตขึ้นมาในออกดอกเต็มต้นสวยงามมาก มีเป็นสี่ห้าร้อยกว่าต้นในวัดเลี้ยง ด, ดีมหาเจดีเสร็จ<ด>ต้นไม้ออกดอกพอดีฉลองสมโพธิผู้เฒ่าผู้แก่อยากจะมาบวชฉลองสมโพธช่วงนั้นก็จะเปิดโอกาสให้กับทุกคนบวชบำเพ็ญได้เท่าไหร่ก็ดีห้าวันสิบวันเจ็ดวันได้ทำบุญใหญ่ฉลองใหญ่กันเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปปฏิทฐานไว้ในมหาเจดี ก็ยากที่จะมีได้ถ้าอานิสง์ไม่เพียงพอบุญไม่เพียงพอก็อาศัยอํานาจแห่งบุญของทุกคนมาหล่อหลอมรวมกันอํานาจแห่งบุญของเรามนุษย์ของเราเทวดาได้ยินข่าวได้ทราบข่าวก็มาร่วมกันช่วยกันสร้างกองบุญฝากเอาไว้ในแผ่นดินพวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็จะได้สร้างสานต่อเป็นกองบุญอันยิ่งใหญ่มหึมาในระดับของสมมุติ อยากดับทุกข์ได้หลุดพ้นได้ก็ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องชีวิตการทำความเข้าใจกับชีวิตคำว่าอัตตาอานัตตาเป็นลักษณะอย่างไรอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามมีอยู่ในกายของเราหมดเว้นแต่ว่ากำลังสติกำลังปัญญากำลังบารมีของเราจะทาได้เพียงพอหรือไม่ ถึงไม่ถึงจุดหมายก็ค่อยสร้างสะสมไปทีละเล็กทีละน้อยสักวันหนึ่งก็คงจะถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ถึงช้าก็ถึงเร็วตราบใดที่เรายังเดินอยู่มีโอกาสเราก็อย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าลืมนะวันที่1 1มีการเออ บริจาคเลือดที่หอฉันของเรานี่แหละทางโรงพยาบาลศูนย์จะมารับบริจาคเลือดบอกก่พี่น้องเราทุกคนแล้วก็อย่าลืมออออขอบริจาคพื้นเพื่อที่จะมาหล่อหลอมทองเหลืองทองคำหาไม้แก่นคนละชิ้นสองชิ้นเอามาฝาก เราก็จะได้เอาไว้หล่อหลอมทองทองเหลืองแผ่นทองใช้ยุใช้เป็นคันลถใช้ปืนเป็นคันลดมีไม้เนื้อแก่นแก่นเราก็มาฟักกันก็นละชิ้นสองชิ้นก็จะได้อันในสงฆ์หมากใหม่ทำบุญด้วยปืนแล้วก็มาเขียนชื่อนาทกุลลงแผ่นทองก้อนทอง ทางโลงหล่อจะส่งมาให้ยังยังตอนนี้ยังไปทำหล่อหลอมก้อนทองเหลืองให้เป็นแท่งพอเหมาะพอเหมาะที่พวกเราจะได้บูชากันมาทำสิ่งเป็นสิริมงคลฝากเอาไว้ให้กับแผ่นดินไม่ว่าอยู่ที่ไหนโอกาสเปิดการเวลาเปิดพวกเราก็ได้ทำกันตั้งใจละพรกัน อขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสทางลมหายใจที่วิ่งเขา้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ต่อเนื่องให้ชัดเจนนั่งอดทนไปสักนิดหนึ่งความทุกข์ของกายนั่งนานก็เกิดความทุกข์เดินนานก็เกิดความทุกข์ให้เราพยายามฝืนความทุกข์ของกายไปอีกสักนิดนึง ฟังไปด้วยน้มสำเนียกไปด้วยลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจมายาวๆอย่าไปบังคับลมหายใจนะอย่าไปเพ่งอย่าไปจดจ่อการสูดลมหายใจยาวๆให้เป็นธรรมชาติที่สุดถ้าเราเอาใจไปจดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกของเราหน้าอกก็จะแน่นถ้าเราเอาสมองส่วนบนไปจดจ่ออยู่ที่ปลายจมกูกสมองก็จะตรึง เพียงแค่ให้มีความรู้สึกรับรู้ว่าลมเข้าลมออกให้ต่อเนื่องให้เชื่อมโยงพยายามฝึกให้เกิดความเคยชินตั้งแต่ตื่นขึ้นไม่ว่าจะอยู่ในอริยบทไหนจนกําลังความรู้ตัวของเราเข้มแข็งต่อเนื่องจนรู้เท่าทันการเกิดของใจเอาไปอบรมใจรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้อะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ความเกิดของใจความเกิดของคันห้ามีกันทุกคน เบ้นเสียแต่ว่าเราจะเจริญสติเข้าไปรู้เท่าทันหรือไม่ช่วงใหม่ๆนี่ก็อาจจะลําบากเพราะว่าต้องฝึกต้องฝืนที่ท่านบอกว่าทวนกระแสกิเลสแต่บรมีส่วนอื่นทุกคนมีการสร้างกันมาดีการทําบุญให้ทานการฝักใยผ่านการผ่านเวลาผ่านร้อนผ่านหนาวการสร้างประโยชน์บางคนบางท่านก็ได้สร้างเยอะบางคนบางท่านก็ได้สร้างน้อยแต่เราก็พยายาม อย่าไปปล่อยวันเวลาทิ้งอะไรที่จะเป็นประโยชน์อะไรที่จะเป็นบุญอะไรที่จะเป็นข้าวพวกเข้าหอ่อเป็นเครื่องนำทางของพวกเราก็ให้รีบทำไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนมองโลกในทางที่ดีคิดดีการกระทำของเราให้ถึงพร้อมถึงจะเกิดประโยชน์ ไม่ว่าอยู่จะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรจนกว่าจะหมดลมหายใจก็ต้องพยายามะนะหลวงพ่อก็เพียงแค่เล่าให้ฟังถ้าพวกท่านไม่ไปทำให้ปรากฏขึ้นที่ใจก็ยากที่จะาเข้าใจที่ท่านบอกว่าตนเป็นที่พึ้นของพึ่งของตอนตนตัวแรกคือตัวสตินี่แหละไปอบรมใจแล้วก็ทำความเข้าใจรอบรู้ในวิญญาณในกายของเรารอบรู้ในโลกธรรมในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือว่ารอบรู้ในสมมติ ยังสมมุติให้เกิดประโยชน์อันนี้สงใหญ่ก็จะบังเกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาสร้างความรู้ตัวให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันจากนี้หนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำพากันไหวปรับพร้อมๆกันขอพากันทำความเข้าใจให้ได้ทุกเรียบทีออ่ความยาวของฝืนนะในเดทอนเลเมดส์ถ้าใครจะอามาร่วมในการหลอหลอมองพระ ใหได้ถอนละเม็ดละเม็ดจะได้ไม่ได้ลำบาก